ผู้ทวนสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรณศรีนาคพระองค์นะ FM 106 ค่ะวันนี้เป็นวัน big ปูเสือกันก่อนหน้ามาเป็นเวลา ชาติด้วยเราก็ไปกราบเพื่อขอปัญญาเกี่ยวกับเรื่องพ่อในรายการนี้ที่ค่ะท่านๆนะคะอืม ละกันในส่วนอื่นๆก็ถวายคุณพ่อของเราเองค่ะเดินผ่านสําหรับเอ่อพระสงฆ์เอ่อสําหรับพระสงฆ์เนี่ยก็ห่มเหลืองอยู่แล้วคือที่เรา เอ่อซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ที่ครองดินแดนอยู่บริเวณหนึ่งทางตอน นะว่าเพราะว่าหมอดู 2, <carrier. S 1> <พ ure. S> 2> อย่างนะคือเอ่อเป็นพระ เอ่อปลูกฝังในเรื่องของความเป็นกษัตริย์แต่แต่ด้วยบุญบารมีค่ะเอ่อซึ่งความเป็นมารดาบิดาเนี่ย อ่ามนดาของเจ้าชายสินทธะเนี่ยเอ่อคือเรียกว่า 7 วันแล้วหลังจากที่เอ่อพระพุทธดิษฐเกิด ที่มงคตไปตั้ง 7 วันค่ะอ๋อค่ะคือดิฉันไปเอ่อประเทศเนปาลนะไปเมืองที่เขาเชื่อกันว่าเป็นกัมเเมลพัตแต่เขาบอกกัมเเมลพัตเนี่ยมีอยู่ 2 เมืองมีในอินเดียเมืองนึงแล้วก็ที่เนปาลเมืองนึงใช่ไปเป็นซากเก่าๆซึ่ง พุทธประวัติซึ่งยังไม่แน่ว่าจากเร 3 ฤดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอือๆเอ่อตรงในทางนั้น 2 เมืองเนี่ยอัน แล้วก็เลย 2 ตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆอินเดียนี่เพื่อที่จะแล 2 <อ>ตรงนี้ออกมาอ๋อค่ะงั้นเนี่ยเอ่อหลังจากที่ทรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็ได้กลับไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ด้วยนะเพื่อที่ แต่วันแรกเราพระญาติก็สร้างวัดก็เรียกว่าวัดนิโครทารามให้นะก็ไปถึงปุ๊บ ก็สั่งให้ลูกน้องเอ่อนางสนมอะไรต่างๆเตรียมกับข้าวกับปลาสําหรับพระสงฆ์ไว้เนี่ยเจ้าจํานวนที่มาแต่แต่ว่าไม่ได้นิมนต์ปะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นความเป็นพระ แล้วทำไมมีคนเอาข่าวเรื่องนี้ไปบอกพระเจ้าสุทโธทนะตอนนั้นซึ่งตรีมหารไว้เต็มที่แล้วล่ะนะก็เลยรู้สึกขายหน้าอย่างมากของเอ่อของของ พระเจ้าสุทธนทนะก็งงเอ๊ะทําไมอันนี้เป็นเป็นวิธีปฏิบัติของฉันเหรอฉันไม่ได้เคยปฏิบัติเป็นวงปฏิบัติของพระเจ้าสุทธนะแต่เป็นข้อปฏิบัติของเราเพราะพระเจ้าอาจจะทําอย่างนี้ด้วยกันออก แต่บโลกค่ะอืมคือเหมือนกับว่าก็เป็นการสอนพวกเราอยู่ในทีด้วย เอ่อทีนี้หลังจากที่บรรลุโสดาบันแล้วนะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในที่นั้นอีกสัก 2 นะครั้งจริงๆ2 ที่ไปนี้ พระในเกี่ยวกับเรื่องความไม่งามในกายความไม่เที่ยงไปถึงก็ได้มีโอกาสไปเทศน์สอนให้ อ่าบิดาในที่นี้นะบิดาพอจะเสมอกันๆเนี่ยก็สิ้นไปในตัวพระองค์เองเนี่ยแล้วนะคือไม่ได้ต้องมาชดใช้อะไรอะไรไงอีกมันมันจบละนะสังสารวัฏ ให้เป็นตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างด้วยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะตรงจุดนี้สําคัญมากนะคะๆนั้นก็คือเป็นการใช่มั้ย <ใช>และในรายละเอียดเรื่องของการตอบแทนสมมุติว่าโอ้ เลยมีปัญญาบ้างแต่ยังไม่มากแล้วค่ะก็เหมือนกับว่าอ่าบางคนอย่าเพิ่งท้อพอคิดๆเพราะ ทุกคนจะมีความไม่เข้าใจกันเห็นต่างกันยังไงวันนี้ ยังกับดักในหลวงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็<ใช> ที่มันยิ่งทําให้อารมณ์มันโกรธเครียดกันเนี่ยหายสงสัยแบบรู้ <นะคะ, S 1> โอรสของใครอืมแต่หลังใช่ๆครั้งแรกให้พ่อค่ะทีนี้เรามาพูดถึงพวกเรากันเองนะคะนี้เรามาพูดถึงต้อง เอ่อนั่นคือเรื่องของอามิตรนะถ้าเราพาไปกินนั่นเที่ยวนี้เนี่ยคนอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนต้น แล้วถ้าพ่อเราไม่อยู่แล้วสมมุติว่าพ่อเราค่ะอ่าเราจะ 1 เอ่อหรือว่าสมมุติแม่ยัง อย่างอริยสาวกเนี่ยก็ทํากันอย่างพุทธเจ้าตอนเนี้ยเป็นพ่อนะคือพ่อเราเนี่ยมีในวิวตนะวตวนเนี่ยเรามีพ่ออยู่ชาตินี้เราก็มีพ่อคนหนึ่งใช่ น่ะอย่างบิดาตอนนี้เราไม่อยู่แล้วพุทธามาอยู่แล้วเอ้าใครเป็นพ่อดีก็เอาอ่า นะทําให้บางทีเราก็ยกย่องพี่เราเนี่ยสมมุติเราแม่เลยมีเต้ยจะแต่พี่พี่เค้าก็เล่าแม่เป็นอย่างงี้นะเราก็ยกพี่ของเรานี่แหละเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเป็นผู้มีบุญคุณกับเราอย่างยิ่งและ ให้มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาใช่และถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตไป วันนี้รู้และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะว่าเราจึงมาระลึกถึงพระองค์ขั้นพร้อมกับนึกถึงคุณพ่อของเรา ทุกคนไปพร้อมๆกันในวันนี้เราก็พร้อมใจกันทําอะไรที่ดีได้นะคะเราก็ช่วยกันทําพูดจากันดีๆใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์อย่าด่าว่ากันหาทางออกให้กันและกันเพื่อส่วนรวมนะคะวันนี้ก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระบูลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนมัสการค่ะเรียนบานท่านผู้ฟังคะและนายคือพระไพบูลย์อภิปุณโณนะคะจากวัดป่าดอนไห้โสซึ่ง ตอนนี้อากาศเย็นนะคะใครๆเนี่ยช่วยโอกาสเดือนนี้ไม่ทันก็ต้องจองเดือนหน้าเลยป่านนี้เต็ม เพื่อที่จะ